จิตบุพุทธไปเจอประโยชน์จิตเียไม่ใช่จิตที่เป็นความคิดนยีเหมือ น, ม า, นอม า, ามถ้วพวกเซนมีความอัศจรรย์อย่างพวกเซนนะคือเขาสามารถใช้คาพูดต้อนเราจหยุดคิดได้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกเวลานะัสือเซนจะรู้สึกแปลกๆอะไรขึ้นมา้แต่ความรู้สึก น, นั้นดีจะดีมากๆเลยแต่ว่ามน่นมนนูความคิดแรกเมก่อนมันจะดูเป็นอจะโตมความ เสร็จแล้วมันจะเกิดคํานึงคําว่าปฏินิสักคะการสลัดคืนมันจะปล่อยปล่อยกายปล่อยใจแนละ้คือธรรมชาติอาจารย์สุรวัตรรู้สึกหมว่าธรรมชาติเ น, น, นี่ยว่างๆภายนอกเนี่ยว่างละหมดเลยให้กายกับใจเนี่ยจริงๆก็เป็นอันเดียวเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั่นเองแต่เราไปดึงออกมาเราไปแยกส่วนมันออกมาตรงนี้ดูเหรอไหมเราเองเป็นคนที่แยกส่วนตัวเองออกจากธรรมชาติ นี้ฝึกปฏิบัติไปอยกระทั่งวันหนึงคืนมันไปที่ว่าสลัดคืนพอคืนไปเลยก็เป็นอันเดียวกันเงินท่านถึงสอนบอกว่าจิตกับสิ่งแวดล้อมจิตกับทุกสิ่งที่แวดล้อมอยู่ตั้งแต่กายมนต้นไปมันถึงโลกธาตุภายในนัเป็นอันเดียวกันบอกท่านสอนต่อยว่าถ้าเมื่อไร่เห็นจิตกับสิ่งที่แวดล้อมอยู่เป็นอันเดียวกันเนี่ย ถึงความรู้แจ้งในฉับพลันเพราะตอนนั้นมันสลัดคืนแต่ของเราไม่สลัดคืนมันไปแบ่งแยกออกมาตรงนี้อาจารย์สุวัตดูออกไหเราไปแยกมันออกปาเองตุกแทบตายเลยก็จะคือเจ้าของเขาบอยมันมีปัญหาะไรไม่เห็นมีปัญหาเลยอยากให้มันดี ยากกันเลยความพยายามสิไม่ไว่ามันอยากอยากให้แยกพอมันมีความอยากเกิดขึ้ น, นก็เกิดการกระทําเกิดความพยายามจะแยกแพอพยายามีะแยกเกิดขึ้นสติตัวจริงไม่เกิดเนี่ยโลภะมันเกิดเลยก็ไม่ยอมแยกสักีจิตสงสยัยทราบไหมไม่เห็นมีอะไรเลยฝึกแคบตายเพืจะทิ้งเลย ไม่ได้สี่เจ็ดนาทีเป็นกิเลสเอะ ต, ตอกุกตายังไปดูว่าบ่อยมากแล้ว น, นะ <c oughs> มันเป็นโรคฝันดีดีฝอเ ง, <c oughs> งยก า, ายเห็นกิเไงดีแล้วก็จะดูดูไปไม่เห็นเลว่าทุกอย่าง เป็นส่ว น, นชใช่การสวดดูไปอย่างนั้นเลยเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและเราเองไปแบ่งแยกมันออกมา ด, ดูไปจเห็นความจริงว่าจริงๆขันห้ากายกับใจเราอะไรเนี้ยกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่มันเป็นอันเดียวกันแต่ว่าความหลงผิดเนี้ยทําให้เราไปหยิบฉวยสิ่งบางสิ่งขึ้นมาเป็นตัวเราถ้าเมื่อไรรู้เท่าทันนะปล่อย ไม่หยดฉวยขึ้นมามันจะเป็นเนื้อเดียวกันไปแต่ว่าไม่มีเจ้าของรู้สึกไหมแล้วเราก็จะรู้สึกถึงสภาวะอีกอันหนึง่งซึ่งไม่มีคำพูดเลยว่างๆเราก็จะเห็นมหาสุญญตาอยู่อย่นเพราะว่ามหาสุญญตาไอตัวขันตัวโลกธาตุมันก็ซ้อนกันเพราะว่าตัวขันตัวโลกธาตุเนี่ยหยุดการทำงานนิ่งสนิทจริงๆนะเร า, ามไม่ะเห็น ตัวที่ไม่ปลูกแต่งั้นหน้าที่ก็ไปดูเรื่อยๆแต่ว่าพอเราเผลอเมื่อไรเราไม่จะไปหยิบฉวยเอาออกมาจากธรรมชาตินอกจากสุราดูแค่นี้แหละก่อนหน้านี้มันมันจะไปพลาตรงที่ว่าเราดูไปเพื่อที่จะให้เกิดความสบการกนในเรอซึ่งตรงมาดูดูไปมันไม่ใช่ไม่ใช่สิไม่ใช่เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไร แต่ว่าพอรู้ทันพอรู้ทันเนี้ยนะจิตหมดความดิ้นรนจากสุภาษรู้สึกไหมตรงที่เราคืนให้ธรรมชาติได้หรือเห็นว่ามันเป็นอันเดียวกับธรรมชาติได้เนะี้ยก็จิตมันไม่หิวละมันไม่ดิ้นมันหมดความดิ้นหมดความอยากแล้วก็หมดการทํางานรู้สึกไหมถ้ายัางอยากทิดนเดียวมันจะไปหยิบฉวยเอาขึ้นมาอีกจะแบ่งแยกออกจากธรรมชาติเพรา ะ, ะนั้นเรารู้ทันใจไปด้วยนะหมดความอยากหมดมันจะคืน ไม่ใช่เป็นสลัดคืนมันปัญญามันก็มองเห็นเลยว่าไอ้ขันห้ากายใจของเราเนี่ยกธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เนี่เป็นอันเดียวกันถ้าพอเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจิตมันพลิกเหมือนแบบเห็นธรรมชาติอีกชิิดหนึ่งที่ซ้อนกันอยู่จะไเห็นมหาสุน ญ, ญาตาตรงนั้นเงียบๆไม่มีอะไรแต่ก็ไม่มีเจ้าของเพราะเจ้าของเนี่ยมันคือธรรมชาตินะ เพราะงั้นตรับใจที่จิตยังเรียนอยู่กับขันนะเราไปหยิบฉวยบางงานขึ้นมาเป็นเป็นเราเนี่ยก็ยังทุกไปเรื่อยๆพวกนับปฏิบัติมันก็ทุกอย่างนับปฏิบัติแต่ว่าวันที่มันคืนให้ธรรมชาติมันไม่หยิบฉวยนะตรงนี้ความทุกมข์คนจะตรงนี้เพราะงั้นที่ท่านบอกว่าทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจ กายกระใจที่เราชอบไปยึดมันอุปาทานขันเป็นตัวทุกข์เพื่อเราจะเป็นปฏิบัติเพื่อให้อุปาทานขันกลายเป็นตัวสุขเรื่อเป็นไปไม่ได้นี่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ปฏิบัติเพื่อให้อุปาทานขันกลายเป็นตัวสุขหรือปฏิบัติโดยหวังว่าจิตใจจะมีความสุขจิตใจมันจะดีแล้วมันจะสุขถาวรนะสิจะฟืนธรรมชาติตลอดเลยทั้งๆ ท, ที่มันเป็นตัวทุกข์ทำไงมันก็สุขไปไม่ได้ ปล่อยมันคืนธรรมชาติไปนะมันก็เป็นตัวทุกข์ของมันไปไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยมันเป็นคนละส่วนกันตรงนี้แยกออกกเลยใช่ไหไเพราะ<ๆ>งั้นที่ท่านสอนอริยสัจเนี่ยนะถ้าเข้าใจถึงขีดสุดเลยเนะี่ยจะรู้เลยว่าขันห้านั่นแหละตัวทุกข์แต่พอเราคืนขันห้าสลัดคืนขันห้าออกไปเนะมันก็ไม่ทุกขนะ์เพราะมันไม่มีขัน นีผู้ปฏิบัติเนี่ยสติปัญญามันมีเป็นลําดับลําดับผู้ปฏิบัติขั้นต้นๆก็เห็นบอกว่าถ้าจิตไม่ไปอยากจิตไม่ไปยืดจิตจะไม่ทุกข์อาจารย์สุวัสด์เห็นตรงนี้นะแต่เมื่อปฏิบัติต่อไปจะรู้เลยตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ตัวขันนั่นแหละตัวทุกข์จะอยากหรือไม่อยากมันก็ตัวทุกข์นั่นแหละเพราะเราไปหยิบฉวยขึ้นมานี่ถ้าไม่หยิบฉวยนะคืนไป พอใจเห็นว่าขันท่าแต่สิ่งที่แวดล้อมอยู่เป็นอันเดียวกันนั้นก็หมดการดิน้นแล้วก็จะเห็นธรรมะที่ไม่ดิน้นเห็นมหาสูญจตา๋านี่พอเห็นอยู่ตรงนี้ถามว่าความทุกข์เข้ามาถึงมันได้ไหมความทุกข์เข้ามาไม่ถึงละที่ท่านพุทธทาท่านเขียนเลยฝนตกไม่ต้องค้าร้องไม่ถึงถึงแต่ผู้พ้นธรรมพ้นจากรูปธรรมนามธรรมพ้นจากทุกอย่างปล่อยมันไ ป, ไป แต่ว่าโจงใจปล่อยไม่ได้แต่ถ้ารู้ว่าหยิบเฉวยอยู่แล้วมันปล่อยไไมันเลยนาเรี้มานั่งฟังด้วยเรื่ความรับเรว่อหลายหมดเจนชูว่ารู้สึกในช่วงนี้ตอนนาดีขึ้นแต่จิตใจมันก็มีเรื่องมีแรงจะได้เรีนที่เพื่งของคนอื่นแทนพ่อถ้าเชิญกลับได้แล้วิญ Exactly. <laughs>